ใครกินอะไรมากก็จะเป็นอย่างนั้นเขาบอกอะไรนะ อ, อะไรนะคนเราเป็นไปตามที่กินะ่ะเอ่อก็มีภาษาอังกฤษอะ่ะเอ่ออะไร what you eat อะไร you are what you eat นะคุณจะเป็นอย่างที่คุณกินนั่นแหละแต่ทีนี้อาตมาพู ด, พดใ ห, ให้ลึกขึ้นอย่างเช่นบางคนเนี่ย เห็นคนอื่นเขาพูดมากนะแล้วเราสมมุตินะเราก็ไปอยู่กับคนพูดมากแล้วเราก็พูดไปตามเขาอ่าคือเราไม่คิดอะไรอะ่ะเขาพูดมากเราก็พูดมากด้วยเขาเรียกอะไรเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามเอหรือว่าเขาเล่นการพนันกันใช่ไหมเราเองเราไปอยู่กับเข า, เ, าเราก็ไปไปตามเขาอะไรเนี่ย เนี่ยนีนนก่ก็กินนะคุณฟังดูให้ดีคุณ ก, ก็กินแต่อาหารแบบนี้อีกน้อยคุณก็ติดคุณก็เป็นไปอย่างเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรแต่มีบองกันบางทีก็แปลกดีนาะงคนตัวสูงคบกับคนตัวเตี้ยออคนพูดมากคบกับคนไม่ค่อยพูดเลยเอออยู่กันได้อยู่กันได้ฮะ ไ, ไม่ทะเลาะกันเพราะอีกคนหนึ่งเอาแต่พูดอีกคนหนึ่งก็ไม่พูดเลย เลยไม่ทะเลาะกันอันนั้นพูดง่ายคิดให้ฟังแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่พูดนี่ก็คือเราเนี่ยไปอยู่กับอะไรอันนี้พุทธเจ้าท่านถึงได้ตัดว่าบิดดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี อ, อะไรเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นี่หมายถึงว่าเป็นทั้งสิ้นของชีวิตเราเนี่ยที่ที่ ในการถือศีลปฏิบัติธรรมในการที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นไปตามอำนาจอิทธิพลของหมู่กลุ่มที่เราอยู่อย่างงน้อยน่ะสมมติว่าคุณเข้ามาในโรงเรียนไหนเขามีกฎระเบียบอะไรยังไงคุณจะอยู่กับเขาคุูก็ต้องทาตามกฎ ร, ระเบียบเขาใช่ไหมคุณถึงจะอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นนี่แหละประเด็นสาคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทไมถึงบอกว่า ผู้เจ้าถึงตัดว่าบุคคลให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้กําลังวันถึงบอกว่าอย่าไปคิดตื้ น, นแค่แค่คําข้าววันจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหผู้ที่ให้อาหารเราเนี่ยให้กําลังเราเนี่ยโอ้มันเยอะแยะมากมายเลยนะเออบางทีเราครบกับคนบางคนเออเขาไม่ไม่ได้พูดเลยเขาทำไอ้นั่นทำไอ้นี่เป็นตัวอย่างเราเห็นแล้วโอ้โหโนียเราก็รู้สึกแหม ด, ดีๆเราหน้าเอาตามอย่างอย่างนี้บ้าง แล้วเราก็ทําตามแล้วเราก็ดีตามเขาไปด้วยส่วนชั่วไม่ต้องพูดนะเขาทําไม่ดีก็ทําเร็วไม่ต้องไปเอากับเขานะอันนี้บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังแล้วคําว่ากําลังเนี่ยอันนี้เป็นตัวสําคัญเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมีครบหัวแขนขาร่างกายอะไรมีครบแต่ถ้าคุณไม่มีกําลังเป็นยังไงยกช้อนก็ไม่ขึ้น สมมตินะป่วยอา้าวป่วยอ่คุณยกช้อยไม่ขึ้นคุณจะกินอะไรได้หรือคุณไม่มีแรงอ้าปากเคี้ยวกินคุณก็เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะแม้แต่การปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ให้ได้คุณต้องมีกําลังอย่างน้อยๆกาลังที่จะสู้กับอะไรเออสู้กับกิเลสที่มันบั่นทอนเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันโดยเฉพาะของเก่าๆที่เราสะสมไว้เยอะแยะเนี่ย มันจะมาโหยหามจะอะไรอววรมันจะมาเรียกร้องตลอดเวลาเคยชอบกินไอ้ดีนะ เ, ออเคยแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะเคยรวยๆนะเคยอยู่สุขสบายนะ โ, โหแมมถ้าให้มานอนเสือให้มากินน้อยมือลงให้มาใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายๆให้มาถือศีลอะไรโอ้โหมันต้องฝืนใจทั้งนั้นเลยพอนั้นถ้าคนไม่มีกำลังพอเนี่ย ถึงแบบว่าไม่มีทางสู้กิกเลสของตัวเองได้เลยมันจะต้องมีกำลังนะเพราะนั้นถึงบอกว่าอาหารเนี่ยอาหารธรรมดาให้กำลังทางกายเท่านั้นแต่อาหารที่เราจะสู้กับกิเลสที่ต้องอะไรอาหารคืออะไรอาหารคืออะไรเราจะสู้กับกิเลสเนี่ยอาหารใจก็น่าสิเช่นอะไรอาหารใจ แล้วจะให้ยังไงให้ใจกินยังไงให้ใจกินอาหารยังไงอาหารใจก็ม า, มาฟังเทศฟังธรรมอา่าฟังรู้แล้วก็เอาไปประพฤติไปปฏิบัติเพราะคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติใจไม่มีกำลังใจก็ยังคงตกไปเป็นเป็นอะไรเป็นทาตโลกโลกอยู่เหมือนเดิมมันจะหลุดพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสไม่ได้นะนี่นี่คือ อย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารส่วนเนี้ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรร์อันนี้เราก็คงเข้าใจเขามีสำนวนว่าอะไรนะไก่อะไระไก่งามเพาะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมเออบางคนนะโอ้โหดูอะไรอ่ะเชยเหลือเกินไหนพอจับมาอะไรนะ ทำทรงผมให้ดีๆหน่อยใส่เสื้อผ้าให้ดีๆหน่อยน่ใส่ชุดให้มันดูเก๋ๆไ ก, ไก่โอ้โหแทบจำไม่ได้แทบจำไม่ได้เลยบอกเออดูดีขึ้นกว่าเดิมนาะาอันเนี้ยนี่โดยทั่วทั่วไปเนี่ยคือผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพันธ์อันนี้ถ้าโดยทั่วๆ่วไปจะถ้าเราคิดง่ายๆก็อันนี้เป็นโรกๆอยู่แล้วเขาก็บอกว่า ไก่งามพ่อขนคนงามเพราะแต่งอันนี้เข้าใจธรรมดาง่ายๆแต่บอกแล้วจริงๆแล้วมันมันลึกซึ้งกว่า น, นั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมคุณดูนะคราวนี้คุณเคยติดสวยๆงามๆ ม, มาด้วยซ้ำไปโอ้โหเคยใช้เงินฟุ่มเฟือยพอมาปฏิบัติธรรมนี่เออให้มักน้อยให้สันโดษให้ใช้ให้น้อยลงเคยกินหลายๆมื้อก็เออกิน เลิกไอ้จุกจิบอะไรต่ออะไรนะให้กินเป็นมือเป็นคราวขึ้นมาดูซิจริงๆแล้วเป็นยังไงลดลดลงมาด้วยซ้ำไปยิ่งเสื้อผ้าเคยมีโอ้โหจันอังคารพุดธพุทรหัสสุขสาวอาทิตย์มีมีครบจะใส่วันไหนอะสีอะไรมีครบออมีมีครบยิ่งกว่าเจ็ดวันอีกเจ็ดวันยิ่งแค่เจ็สีใช่ไหมแต่มีมากกว่าเจ็สีไง เพราะฉะนั้นแล้วโอ้เยอะแยะไปหมดแต่เอ้าพอมาปฏิบัติธรรมคราวนี้น่าดูนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมแต่ทางธรรมะเป็นยังไงคราวนี้คนงามเพราะแต่งแต่งยังไงให้คุณแต่งตัวเริ่มเริ่มเอาสีก็แบบว่าโอ้โหอย่าไปแสบหูแสบตาคนอื่นก็ามากนะเอาสีที่มันเรียบเรียบสุภาพอ่า ทรงผมเป็นไงไม่ต้องทรงไทยเฮาทรงหนังจีนก็นะดูแล้วก็ตล ก, กนะโอ้โหเาทำแหมไม่รู้ก็ทำเป็นไงยังรู้สึกเฮ้ยเไม่หนักหัวหรือไงโอ้โหทรงสูงเลยนะอืมเราเป็นไงอย่างเงี้ยอ้าวให้เรียบเรียบง่ายงายขึ้นบางคนโอ้โหเคยอะไรนะพอสะเสร็จสะเสร็จแล้วต้องไงแต่ก่อนเนี้ยเป็นไงนะ ออาเอาเ อ, เอต้องอบต้องนวดใส่ครีมอีกใสอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอมาปฏิบัติธรรมอ่าเรียนเรีย บ, ยบย ง, ง่ายขึ้นอะไรที่เรารู้สึกเออมันไม่จําเป็นก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องไปติดสวยติดงามอะไรมากมายอะไรนะักหรอกอย่างเงี้ยมันจะลดลงมา <คน S 1> ใช่แล้วนะที่พูดอยู่เนี่ย กำลังจะพูดให้ฟังป่าที่เรามาลดละอะไรพวกนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเรามาถือศีลเพราะเรามาถือศีลศีล น, นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่อะไรอ่ะเลยต้องลดลงเพราะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้แต่ภิกษุก็ตามพระเจ้าท่านก็ตัดว่าศีลเป็นอาภรณ์ของภิกษุ ไม่ใช่จีวอนนะไม่ให้จีวรนนะเป็นอาภรณ์ของภิกษุแต่ศีลเป็นอาภรณ์ของภิกษุเพราะันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้คราวนี้เราจะชัดยิ่งภิกษุเนี่ยผู้เจ้าให้ใส่เท่าไหร่ฮะให้ใส่เท่าไหร่ผ้ากี่ผืนเออผ้าสามผืนไม่ใช่ผ้าโพกผ้าอะไรแค่นี้นะเออ เดี๋ยวนี้เราก็อา้าวอาจจะพูดยังง่ายนะพูดแบบสมัยนี้นะอา้าวอาจจะมีอะไรบ้างมีอังสะมีสะบงแล้วก็มีผ้าห่มเนี่ยผ้าคลองอ่าพูดพูดแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไปพูดภาษาพระอะไรเนี่ยท่านก็ให้มีแค่เนี้ยจริงๆริงอ่ะคุณคิดดูเอาสิโอโหจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะยุคปัจจุบันนี้ฝนตกดอยครับเรียบร้อยละเปียก บางทีไปเดินบินตาบาเนี่ยถ้ามีแค่สามผืนแค่นี้นะเรียบร้อยเลยเรียกว่าต้องใส่กันจนแห้งเนะี่ยแห้งคาตัวเนี่ยแหละไม่รู้จะทํำยังไงเอแต่ตอนนี้นี่แหละศีลเหล่านี้อ่แต่ว่ามันก็มีศีลห้านะมีศีลแปดมีศีลสิบแล้วก็มีศีลพระอต่นี้ต้องดูฐานะของตัวเองว่าอาภรณ์ของเราอะ่ะเราเราเหมาะที่จะใส่ อาพรแบบไหนอย่างเช่นอาจจะไปเที่ยวมันก็ต้องมีชุดใช่ไหมชุดนี้เหมาะที่จะใช้ใส่ไปเที่ยวไม่ใช่ใส่ลุ่มรุ่มลำล่ำแมมไปอะไรนะสมมติไปล่องแพไปอะไรโอ้โหไปใส่รุ่มรุ่มลำล่ำได้ที่ไหนก็ต้องใส่เออธรรมะธรรมแรงใส่กระชับหน่อยอืมหรือจะไปงานพระราชพิธีไปงานที่เขามีอะไรอ่ะไม่รู้แหละ งานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราต้องแต่งตัวให้เหมาะกับงานนั้นเอาไปงานบวช <c oughs> ไปงานบวชเนี่ย เ, เราก็รู้ว่าควรจะแต่งให้เหมาะสมยังไงแม้ไม่ใช่ใส่สายเดี่ยว <c oughs> ใส่อะไรไปโอ้ไปงานบวชไปใส่งี้แสดงว่าคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าควรจะใส่อภรรยแบบไหนอแล้วศีลของของตัวเองเนี่ยที่เหมาะสมอะ่ะคือยังไง เพราะอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องรู้นะสำหรับนักปฏิบัติธรรมเพราะมีือนกันบางคนไม่รู้ฐานะของตัวเองว่าควรจะใส่ชุดยังไงขนาดไหนให้เหมาะสมเพราะบางคนเนี่ยใจร้อนโดยเฉพาะบางทีได้ฟังธรรมะหรือได้เข้าใจอะไรดีๆเนี่ยโอ้โหอยากจะถือศีลสูงๆ ไ, ไว้มีบางทีเนี่ยเป็นฆราวาสเนี่ยแต่จะถือศีลแบบพระเลยนะ ซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ใครหรอกมาเคยเป็นมาแล้วสมัยก่อนเป็นฆราวาสเนี่ยอ่านพระไตวปิฎกศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าดีจริงๆอ่ะว่าเออสีอย่างเงี้ยดีจริงๆแต่จริงๆเป็นสีของพระยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าไม่ควรไปตัดต้นไม้ไม่ควรอะไรอ่ะอันนี้เป็นศีของพระวันจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยยังเป็นฆราวาสอยู่ศึกษาธรรมะแล้ว แล้วก็เริ่มปฏิบัติบ้บางละแล้วก็เห็นว่าดีไงเออไปตัดต้นมงุฎต้นไม้ทําไมอ่ะไม่ไม่น่าไปตัดอ่ะต้นไม้ก็ยั่งมีน้อยมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเลยปรากฏว่าไปบ้านเพื่อนอยู่คราวหนึ่งโอ้โหบ้านก็าปรากฏว่าเขาไม่ค่อยไปอยู่ไงแต่นี่พอเขาจะไปอยู่ทีเนี่ยไอ้กิ่งไม้ต้นไม้อะไรมันก็ลกอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอแรงบอกช่วยตัดหน่อยไอเราเองเราก็โอ้โหเอาละสิเอ๊ เราไปตัดเดี๋ยวก็แหมไม่เหมาะเลยนะเรารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีให้เราไปตัดนี่ไม่ได้ไม่ยอมจิตมันไม่ยอมก็เลยไม่ตัดก็บอกเขาบอกว่าไปจ้างคนอื่นตัด <c oughs> บอกให้ก็ไปจ้างคนอื่นที่ตัดอันนี้มันเกินฐา น, นเกินฐานนะจริงๆโดยฐานาเราเราตัดได้ะนะา เพราะนั้นมันมันคนละฐานะกับพระเขาพรานี้ต้องแยกแยะต้องต้องรู้่านี่การถือศีนเนี่ยเนี่ยอภรรของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยศีนเนี่ยจะต้องรู้ฐานของตัวเองเนี่ยให้ชัดเจนให้ได้ก่อนให้ชัดพอชัดแล้วเนี่ยเวลาเราถือศีนไปมันจะตรงตามฐานของตัวเองถ้าตัวเองสูงขึ้นก็ค่อยเลื่อนฐานศีนขึ้นไปแต่ถ้าเรายังปฏิบัต บางทีเนี่ยศีลห้ายังทําไม่ได้เลยเนี่ ย, ยแค่เบื้องต้นศีลห้ายังทําไม่ได้เลยขอใช้สำนวนที่หนักหนักหน่อยว่าสเสอไปถือศีลแปดก็จริงจริงบางทีเนี่ยโทศีลห้ายังไม่ได้เลยมีผู้ชายบางคนอันนี้เรื่องเรื่องจริงเลยนะเาขามาฟังเทศน์ฟังธรรมติกโอ้โหว่าปฏิบัติอย่างนี้ดีมากเลย เสร็จแล้วก็ยังไงรู้ไหมก็เลยจริงๆเนี่ยเขาสีห้านะเขามีครอบครัวเข้าอะไรเงี้ยฐานของเขาน่ะสีห้าเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยโหดีดีต้องศีแปดก็เลยกลับไปบ้านก็เลยไปถือสีแปดเลยนะทะเลาะกับเมียอย่างเดียนี่ก็บ้านพังเท่านั้นเองอสิโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องรู้ฐานตัวเองถ้าสมมติอย่างเนี้ยไม่มีครอบครัวแล้วอ่ะ นะคือคือคือสีลขอ้ออันนี้มันชัดเพราะว่าศีลห้าเนี่ยศีลข้อที่สามคืออะไรกาเมสมิชฉาจาราเวรามณีใช่ไหมเออว่าไม่ไปอะไรอะ่ะคือคือไปมากมา ก, มากในกามพูด ง, ง่ายคือถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าแต่งงานแต่งการเนี่ยก็มีสามีคนเดียวเอ่อหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็มีภรรยาคนเดียวใช่ไหมอันเนี้ย ผู้เจ้าท่านให้ฐานนี้ไว้แล้วแต่ปรากฏว่านี่พอฟังธรรมเสร็จโอ้โหเอาเลยตัวเองทั้งทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยแต่โอ้โหอยากละอยากจะถือศีลแปดก็ไม่ตกลงกับภรรยาให้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นทะเลาะ ก, กันตายเลยเพราะว่าอะไรศีลแปดนี่เป็นยังไงศีลข้อสามนี่เปลี่ยนทันทีเลยเป็นอะไรอะพัมมัจริยาคือต้องเริ่มให้งดให้เวน้นละ เรื่องของกามเรื่องของเมทุนต่างๆอ้าวก็ได้เรื่องเลยสิวันทะเลาะกันอันเนี้ยปัญหานี้เยอะเลยเท่าที่อาตมาเคยฟังพวกที่เขามาปฏิบัติธรรมแล้วเ้ามีครอบครัวแล้วปัญหานี้จะมีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าไม่ได้แล้วต้องรู้ฐานของตัวเองถ้าสมมติจะเลื่อนฐานขึ้นมาก็ต้องตกลงกับสามีหรือต้องตกลงกับภรรยาให้รู้เรื่องซึ่งก็มีมาแล้ว ว่าเออเขาตกลงกันรู้เรื่องได้อ่าเขาก็ยอมปล่อยให้สามีหรือว่าปล่อยให้ภรรยาเนี่ยเลื่อนฐานขึ้นไปเป็นศีลแปดได้เขาก็อยู่กันนะแต่ทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ยเขาศีลแปดได้เออหรือว่าสามีจะศีลห้าก็แล้วแต่แต่ภรรยาศีลแปดได้ถ้าตกลงกันนะซึ่งซึ่งตัวอย่างพวกนี้มีมีทั้งหมดเลยเอออตาตมาก็เคย พบเห็นของจริงมามีภรรยาบางคนก็คุณจะไปมีอะไรที่ไหนก็เรื่องของคุณเน่ยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ขอว่าคุณอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันเออแล้วเขาก็ตกลงกันได้อย่างเงี้ยเอา อ, อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเากาตกลงกันได้อืมเพราะฉะนั้นอันเนี้ถึงบอกว่าเ อ, อ่อศีลเป็นอาพร์ของนักปฏิบัติธรรมต้องชัดตรงนี้ต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่าง เรื่องของศีลห้าศีลแปดให้ฟังในศีลข้อที่สนี้แต่เรื่องอื่นๆ อ, อีกถ้าเราเข้าใจได้และคราวนี้ถ้าเราถือศีลเนี่ยอาพรที่เราประดับดูนะมันจะต่างจากอาพร์แบบโลกโลกตอนแรกที่บอกมาเนี่ยบอกว่าเราเคยใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆใช่ไหมแต่พอมาปฏิบัติธรรมเสื้อผ้าเราเรียบง่ายขึ้น จนกระทั่งบางทีบางคนบอกมสมสนี่จริงๆมองซึ้งนะพูดให้ดีนะพูดให้ถูกไม่ใช่มสนี่มองแล้วโสมเช่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าอย่างนี้โอ้ส่แล้วก็ไม่ค่อยจะยอมสักขี้เกียอก็ขึ้นเม้นก็เม้นไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะไม่ไม่เอาอะไรงั้นไปพวกรสีแล้ว ออแบบประเภทไม่ต้องอาบน้ำอาบท่าประเภทไม่ต้องอะไรดูแลความสะอาดอย่างงี้ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมต้องสะอาดออต้องสะอาดไม่สกรปรกนะเสื้อผ้านี่ก็แบบว่าดูสุภาพดูเรียบร้อยใช้ได้นะไม่เหม็นแต่ก็พูดอย่างงี้ไม่ได้หมายความว่าแหมเลยอะไรอ่ะซักเสร็จก็ต้องเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะ น้ำยาแช่ผ้านุ่มมัง่งมีอะไรแกมีน้ำหอมใส่มีอะไรใสอีกเอาไม่จาเป็นนะบางทีก็ก็ธรรมดาเนี่ยแหละก็เอาไปตากแดดให้มันอะไรอะ่ะฆ่าเชื้อฆ่าดับกลิ่นนะอย่าไปหมักหมมเท่านั้นแหละส่วนว่ามันมีกลิ่นที่มันบางทีมันเราซักแล้วเราทำความสะอาดแล้วแต่มันมีกลิ่นที่มันเป็นธรรมชาติของมันเองบ้างเพราะคนเราก็ต้องมีกลิ่นตัวอยู่บ้าง อันนี้หนีไม่พ้นอันนี้เนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเหม็นมันอะไรไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเราก็ทําความสะอาดแล้วอก็ก็ต้องตากแดดด้วยทีก็บอกแล้วไม่อย่างนั้นขึ้นลาได้นะเออขึ้นลาแล้วยุ่งเลยนะคราวนี้ยเผลอเดี๋ยวใส่ไปแล้วคราวนี้ไม่ใช่อาภร์จะทําให้ ดูแลดีขึ้นดูแล้วเจริญขึ้นเนี่ยอภรเป็นโทษนะคราวนี้เพราะว่าใส่แล้วบางทีเป็นโรคผิวหนังนะขี้ ก, า, ก, ขกาขี้เกลือหรือขี้เกลืออะไรต่ออะไรขึ้นนะอันนี้ต้องฉลาดต้องรู้แล้วถ้าเราเราปฏิบัติได้ถูกต้องถูกตรงจริงแล้วศีลจะเป็นอภรจริงๆเ อ, อเขามีสำนวนที่พูดว่า อะไรนะดอกไม้เนี่ยกลิ่นหอมของดอกไม้ไปนไงหอมได้แต่ตามลมเท่านั้นนะแต่ศีลนี่หอมทัวลมได้ <c ười> คือลมพัดมาด้วยพัดจากเหนือมาทางใต้เงี้ยเ ร, เราเราเรนอยู่ทางใต้ใช่ไหมออถ้าเอาดอกไม้เนี่ยถ้าดอ ก, กองดอกไม้หอมเนี่ยนะต้องไปวางทิศเหนือที่ไม่ให้ลมพัดมาเพราะเราอยู่ทางใต้ แล้วเราถึงจะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ใช่ไหมแต่ถ้าเอากองดอกไม้เนีมาไว้ทางใต้แล้วลมพัดมาจากทางเหนือเป็นยังไงอ่มันเราไม่ได้กลิ่นแล้วคราวนี้เพราะว่ามันมันมันพัดเลยไปเลยเราจะไม่ได้กลิ่นเลยแต่ผู้เจ้าท่านตรัสว่าศีลนี่หอมทวนลมได้เพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลคนที่ปฏิบัติได้ดีได้ถูกต้องโอ้โหนี่แหละเนี่ยที่ท่านเปรียบว่า เหมือนกับอาพรประดับกายอันอันงดงามอันมีค่านี่เพราะว่าคนจะเคารพคนจะนับถือคนจะศรัทธาซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยเพราะถ้าเขาศรัทธาคุณแล้วเนี่ยนะโอ้โหคราวนี้คุณพูดอะไรไปคุณแนะนําอะไรไปหรือบางทีเขาทะเลออาะกันเงี้ยถ้าคนนี้เป็นคนที่ศรัทธานะ เข้าไปไกลเกีย่ยนะรับรองเรื่องสงบได้ง่ายเรียบร้อยได้ง่ายถ้าเขาศรัทธายิ่งเขาศรัทธาด้วยว่าคนนี้มีศีลศรัทธาจริงๆนะเพราะเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นความซื่อสัตย์เป็นความเชื่อถือเป็นความเชื่อมั่นว่าผู้นี้ไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างใครจะตัดสินอย่างยุติธรรม พราะด้านเขาจะยอมได้ง่ายซึ่งตรงนนเนี้ยวันศีลเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างนี้ที่ทำให้ถ้าเรามีอาพร อ, อย่างนี้ประดับแล้วโอ้โหอาพร อ, อื่นๆนี่เทียบไม่ติดเลยจะเป็นอะไรนะเขาเขาทำไอ้นั่นนะเน่อเสื้อทองคำต้องกี่ล้านไม่รู้นะโอ้โหใส่เขาไปได้แง่ทำไมดึกหนักตายเลยยังอุตส่าห์ ไปทำเสื้อทองคําใส่หรือว่าประดับเพชรเ่ยคุณเคยเห็นป่ะพวกไฮโซเขาประดับเพชรอตาตมา ย, ยังนึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวหาเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วไอ้อย่างนั้นนะไม่มีค่าเลยแล้วเป็นโทษเป็นภัยด้วยเห็นไหมแต่คนที่มีศีล น, นี่นะเข้าหาที่ไหนก็ได้เข้าหาใครก็ได้ไม่มีคนเกลียดเพราะคนมีศีลเนี่ยก็ไม่โกหกเขาด้วย เขาจะถือมีอะไรก็แบ่งปันให้เขาด้วยช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือด้วยจะมีจิตที่ดีงามจะไม่มีจิตที่จะคิดเบียดเบียนคิดทุจริตคิดอะไรกับใครเพราะอันเนี้ยจะคุ้มของโลกไว้เลยคุ้มของคนคนนั้นไว้ <c oughs> อา้าววันนี้คงพูดได้แค่สองข้อ <c oughs> <c oughs> จริงๆเสียก็ยังมีรายละเลอียดไปอีกเยอะ ศีลมียังไงถือศีลแบบนะลูกๆคำๆ <c oughs> มีศีลลพตาปรามาศศีลละประตุภาทานแล้วก็มีศีลที่เราจะถือแบบอริยกันตศีลคือถือศีลแบบที่พระอริยะเจ้าเนี่ยท่านถือเพราะบางคนเนี่ยมาถือศีลก็จริงนะ แต่ยังถือแบบเล่นๆอย่างนั้นแหละไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้อะไรพวกนี้ใส่อาพรประเภทเปืป่อยๆอะเปื่อยๆจะขาดอยู่เรื่อยอาพรพวกนี้หรือพวกที่เป็นศิลปประตูปลาทานเนี่ยโอโ้โหใส่เสื้อแบบประเภทอันนี้ก็ใส่แบบแข็งเป๊กเลยนะใส่เสื้อแบบแช่แป้งเลยโอโ้โหจะเอียวซ้ายเอียวขวาอะไรนี่แข็งไม่หมด คือคือยึดอะพวกนี้ยึดพวกเอาตามจารีตเอาตามประเพณีเขอทําอย่างนี้มาฉันก็จะทําอย่างนี้แหละทั้งๆ ท, ที่จริงๆอันนี้มันไม่ถูกต้องเลยแต่ก็จะยึดเป็นศีลของตัวเองแล้วก็จะทําไปตามนั้นซึ่งไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณค่าอะไรนะเผลอๆเป็นพิษ เ, เ, เ, เ, เป็นภัยด้วยอ่ะก็คงพูดได้คร่าวๆไว้เท่าดีนะวันนี้